สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจะเอิญก้ า, ไาวไกลทุนเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม่พระปานำไปขอตั้งใจอาสาสบาน่วยรับงานมากมายหลานานเจ็บหรือตายหุนวายใหญ่บ้านเทศสภานต้องรับแจ้ง เพื่อนครนิวัฒ น, นาเป็นคนตาคนไกลไกลเทศาบาลคือบันไดของการปกครองตามขนองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อร้องกันละเมิให้จำบังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลควาอมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งท่านสุกสานทั่วกัน สถาันก็คือเรานี่ช่วยสำคัญเหตุสถาบันี่จึงสำคัญร่วมประสานคอยร่วมมือ สภาหน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจริญก้าไกลขุนเรื่องให้ประเทืองและงามวิไลอาณาไม้พระปานำไปขอตั้งใจอาสาเสบาโดยรับงานมากมายหลายนานเจ็บหรือตายหุ่นวายใหญ่บ้านเทศสภาต้องรับแจ้ง เพื่อนครนิวัฒนนาเป็นคนตาคนไกลไงเทศ บ, บาลคือบันไดของการปกครองตามขลองแห่งชีวิความที่มีประชาธิปไตยเพื่อประสานคนและบ้องให้จำลังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเทศของเราดูแลพวาอมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งท่านิสุสันทั่ว เทศาบาลก็คือเรานี่ช่วยสัมพั์เทศาบาล น, นี่จึงสาคัญรวมประสานคอยรวมมืองานประเทศศิลาอาี่รังส่ า, าส ร, รถดีเมืองพระศรีพนมมาแหล่งไม้กว่าตองกงดยหอมแดงเรื่องชื่อนำระบืดตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศาบาล ศีพนมมาตร์คือศูนย์กลางแห่งอรารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบูรณสมบูรณ์ของเมืองลบแลกที่ไม่มีวันสิ้นสย์สลายสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบ ก, กับรายการเสี่งตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพน ม, ม, มัตรเมืองลบแลกครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2565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 ไว้บรรดาลให้ลูกชายร้องไห้ ง, งอแงพอปลอบลูกเท่าไรก็ยิ่งร้องร้องหาแต่แม่จนสุดท้ายพอพัดพังโห็หกไป พิจริตประเพณีต้องขับสามีออกจากลบแลไปโมกยามเขามินแทนใจตัวสามีทิ้งทูกมาเห็นยิ่งสุดท้ายเขามิทองย้อนตำหาที่ทิ้งไว้เท่าใดไม่เจอ สัจวะจันท ลืมตาอย่างว่าลืมนายลืมคนในใจมันลืมยากเลยบอกคอยสิเว่าสิป่าให้พัยผู้นำเบิดคาเจ้าทิมหากลงนองทิมลงคลองเอาคืนบบไทยคงต้องทอดใจเมื่อบอก สคัญจบกันแล้วก็ต้องจากกันมันบ่ชินมีละหัวใจให้เราลงพอ่พอพ่อเมากะว่ า, า, าลืมได้สุดท้ายก็เกลืนนำไหลเจ้าพอลืมได้แต่ปากลำบากยามคิดฮองสีมีผู้ใดให้กอด นลน้องคิดทอดเจ้าลายปานใดก็อดเอากระยอนว่าาเป็นคือเก่าบ่ได้เลืมได้แต่ป่าลำบากยามอยู่คนเดียวบ่มีผู้ใดให้เลี้ยวเท้นมีเห็นใจแม่นผู้ใดถามคัดแถวกระตอบเข้าไปว่าน้องลือ สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันศุกร์ที่23ครับมาก่อนหน้านี้นั่นแหละครับอยู่ๆก็รึมมาเลยคุณผู้ฟังมีลมมานิดๆหน่อยๆแต่ลงมาค่อนข้างหนักสำหรับฝนลงมาสองช่วงครับช่วงที่2นี่น่าจะเบาหน่อยตอนนี้ก็ออกครึ้มๆอีกแล้วคุณผู้ฟังระมัดระวังด้วยครับระมัดระวังด้วยเห็นว่าแถว ทางสะพานหมอนไม้คุณผู้ฟังน้ำเยอะเลยครับตรงถนนนะครับบริเวณจากทางขึ้นสะพานก็คงเป็นน้ำรอระบายคุณผู้ฟังแน่นอนครับการสัญจรไปมาเจอน้ำเบาได้เบาครับอย่าไปขับเร็วขับเร็วปุ๊บยางรีดน้ำไม่ทันรถมีอาการเหินขึ้นมาควบคุมรถไม่ได้ชั่วขณะอันตรายมากครับ และถนนบ้านเรานั่นแหะครับก็เป็นหลุมบ้างเป็นแอ่งน้ำบ้างพอรถยนต์ขับเร็วถ้าควบคุมได้ก็ดีครับแต่ถ้าควบคุมไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าอยู่ๆปุ๊บควบคุมรถไม่ได้กลายเป็นว่าบางช่วงเป็นทางโค้งหรือแม้แต่ทางตรงก็ตามคุณผู้ฟัง หลายท่านคงเคยเห็นคลิปที่ผ่านตาอยู่ครับทางตรงๆเนี่ยแหละครับขับแซงเขาแล้วไปเจอแอ่งน้ำลายเป็นว่าควบคุมรถไม่ได้ชั่วขณะในขณะที่ขับรถเร็วด้วยเบรกก็ไม่ทันก็ชนกับต้นไม้หรือบางคัญเบรกปุ๊บกลายเป็นว่ารถหมุนคว้างปัดควบคุมไม่ได้พลิกคว่ำก็เยอะนะครับ ฉะนั้นฝนตกท่านไม่เปียกอยู่แล้วสำหรับรถจนต์ก็ขับชา้าดีกว่าครับมีน้ำใจบนท้องถนนเพราะบางทีขับเร็วน้ำมันก็กระเด็นไปใส่คนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์น้ำกระเด็นก็แรงเหมือนโดนสาดน้ำเลยคุณผู้ฟังควบคุมไม่ดีตกใจอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับ ที่ว่านลัวก็ไม่เท่าใจเธอที่มันมืดบอดลองไม่ต้องถามเราความเศร้ตรงไม่มีความหมายกับเธออีต่อไปสำหรับฉันมันสำคัญเสมาแต่เธอไปลงลืมไว้ที่ไหนที่เขาได้ววาที่ใครช่วยตอบทีเมียยืนยัน เคยมีรักยืนหนึ่งนุ่งรัไม่เคยได้ เจ็บอยากบอกให้รู้ฉันก็เคยผ่านกับการต้องทรมานที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นหนึ่งใจแต่ทำให้รู้วมันไม่ได้อะไรที่มัวฟุ้งฝัที่พวยที่พายอย่างนั้นเมื่อของ ฝนฟ้าฟ้าสวยงามเสมอถ้าการไม่มีเขาแล้วทำให้เรานั้นยิ้มได้ยังดีกว่าการที่มีใครแล้วทำให้ร้องไห้ตลดเวลาตาดอกตัดใจแล้วเดินจากไปเสียดีกว่า อย่าไปให้ราคาไร ก, กับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลยจงยินมให้กับความจริงแม้ต้องสู้กับกทุกสิ่งแค่เพียงลำพัง 清风洒洒，醉眼什么？ เคยเห็นค่ากับความรักเลยกับคนที่มันไม่เคยเห็นค่ากับความรักเลยสาราุรูนี้ครับคุณผู้ฟังผมหยิบเอาเรื่องนี้ละกันเอาเรื่อง ที่ใกล้จะถึงครับก็ใกล้จะถึงเทศกาลกินเจแล้วเหมือนกันคุณผู้ฟังก็เลยเอาเรื่องราวของคําถามคาใจเกี่ยวกับเทศกาลกินเจมาฝากครับเทศกาลกินเจประจําปี2565ปีนี้ตรงกับวันไหนครับก็จะตรงกับวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมรวม9วัน9คืนครับ กินไข่ได้ไหมถ้าจะกินเจไม่ได้ครับเพราะไข่คือผลิตผลของสิ่งมีชีวิตผักที่ห้ามในการกินเจมีอะไรบ้างก็จะเป็นผักที่มีรสร้อนนะครับทั้งกระเทียมหัวหอมหลักเกียวกุ้ยช่ายแล้วก็ใบายาสูบกินหอยนางรมผิดไหม ผิดครับเพราะหอยนางรมก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ไหมได้ครับแต่ต้องเลือกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูตรเจครับกินปูอัดได้ไหมไม่ได้ครับยกเว้นปูอัดเจโอ้มีปูอัดเจด้วยคนรู้ฝังดื่มกาแฟได้หรือเปล่ากาแฟดื่มได้ครับแต่ต้องเป็นกาแฟดำโอเลี้ยงหรือกาแฟสูตรเจ เท่านั้นดื่มเหล้าได้ไหมไม่ได้ครับเพราะนอกจากจะงดเนื้อสัตว์แล้วยังต้องถือสีด้วยครับเหล้าเบียร์ไวน์งดก่อนของหวานอะไรที่ต้องระวังบ้างครับ1ไอศครีมครับช็อกโกและขนมที่มีส่วนผสมของนมเนยไข่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนมหรือน้ำพึ่งครับ อันนี้ควรงดก่อนในช่วงเทศกาลกินเจสําหรับคนที่เคร่งเคร่งและต้องการจะกินเจนะครับกินเจช่วยให้ผอมได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าได้ครับแต่ต้องรู้จักเลือกเลือกอะไรเลือกกินข้าวหรือแป้งที่ไม่ขัดขาวเช่นข้าวกล้องธัญพืชต่างๆเลือกกินของนึ่งต้มตุน๋นดีกว่าของทอดแล้วผัด เลือกกินผักใบมากกว่าพืชหัวกินหวานให้น้อยลงนั่นเองก็เป็น10คคำถามคาใจครับสำหรับเรื่องราวของการกินเจซึ่งบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มสนใจที่จะทานเจเริ่มปีนี้ก็จะได้มีเรื่องของคำถามครับก็จะได้รับคำตอบไปจาก10บคำถามยอดฮิตอันนี้เช่นกัน ก็เป็นเรื่องราวครับของคำถามคาใจเรื่องกินเจครับที่หยิบ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ เสือคนง่ายกันเลยต้องเปลืองใจหากภัยบอกเคยเพื่อใจขอแค่ว่าได้หังกันเลยเทุย่มเทให้อมอคิดว่าสิเจ็บหนาะผลสุดท้ายต้องเสียความหังให้คนอื่นไป ที่บอกว่าหากกันเมื่อนั้นยังจำได้บอกทาท่าลืมสันบอกหรือว่าความจำเสื่อคนดินอีกชีวิตที่ใจพอมันต่อหพอสิใด้ไร ทั่วไปพอได้แตกตัางกันแม้บอกขโมกเคยหักกธนแล้วที่ผ่านมานั้นมันคื อ, อย่ายังหก สู่ช่วงที่2ครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับในเรื่องของการแจ้งครับให้ประชาชนที่มีพื้นพื้นที่ปลูกข้าวครับอยู่ตำบลฝายหลวงนะครับพื้นที่ปลูกฟ้าปลูกข้าวอยู่ตำบลฝายหลวงครับวันที่27 กันยายนครับท่านที่มีพื้นที่ปลูกข้าวหมู่หหมู่สหมู่สมหมู่ตําบลฝายหลวงนะครับไปประชุมครับประชาคมที่วัดป่ายางนะครับวันที่27กันยายนวันที่28กันยายนครับหมู่สและหมู่หกตำบลฝายหลวงนะครับหมู่สและหมู่หกตำบลฝายหลวง ไปประชุมประชาคม8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงครับวันที่28กันยายนนะครับหมู่สี่และหมู่หกแปดมงครึ่งถึงเที่ยงวันที่ยี่สิบเกหมู่เจหมู่แหมู่เครับท่านที่มีพื้นที่พอะ ป, ปลูกนะครับอยู่หมู่เหมู่แดหมู่เก้าตำบลฝ้ายหลวงวันที่ยี่กากันยายนครับ8ปดนาฬกาสาินาทีก็ไปประชุมประชาคมที่วัดป่ายาง วันที่30กันยายนครับท่านที่อยู่อยู่หมู่สิหมู่1 1บเหมู่สินะครับท่านที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่หมู่สิหมู่1 1บเอ็ดสาบลฝ่ายหลวงครับ8ปดโมงครึ่งรับวันที่30กันยายนไปประชุมประชาคมที่วัดป่ายางนะครับในส่วนของท่านที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ตําบลศรีพนมมาตรครับวันที่สี่ ตุลาคมนะครับประชุมประชาคมที่ที่ทำการชุมชนยางกระไดเหนือครับก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มั น, นะครับแล้วก็มีในเรื่องขอ ง, ท, ท, ท, ของท่านที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่หมู่3ิบาตำบลฝ่ายหลวงครับท่านที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่หมู่สิบาบลฝ่ายหลวงนะครับให้มาลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่25นะครับที่สาากลางบ้านบ้านปากทางครับหลังกศนรับแลแ ล, แล้วก็วันที่30นะครับกันยายนแปดมงครึ่งก็ไปประชาคมที่วัดป่า ย, ยางครับอันนี้เป็นข่าวฝากแจ้งประชาสัมพันธ์มานะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่หมู่สิบสามตําบลฝ่ายหลวงครับให้ไปลงทะเบียนวันที่25 กันยายนที่สารากลางบ้านบ้านปากทางนะครับหลังกสน อ, อเลัแปลและ30กันยายนครับ8ปดโมงครึ่งก็ไปประชาคมที่วัดป่ายางนะครับเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาครับ แต่ไดยางกายได้สูดไอกินเจ้าก็หลงหมัวเมาอําคะนิงแต่น้ำนอยอยากสิจับตาจ้องย่านทั้งนองสิเปิดนายเจ้าผู้แก่ปลายใจเพพังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อน ให้ใส่หมอนใจอววรแต่นำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำไม่ใจมันปวดร้าวจนมาพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต้มายข้อแนมนนจากวางซอยชุบใจที่เพพังลาบนังคนไข้ สิเป็นไปได้พอเทิรนไอ้สิขอไปเคียงกาย่านเจ้าบ่มีภยัยคันใด้นางมาเคียงขาสิขอหากนั่งไม่จนแก่ปวดรับใจเอาไว้เน่ให้เจ้าแล่เน่เดินคำยามหนาวไห้กาสีค อ, อยามนอนไอ้กาซีหอ ไม่ได้ย่างกายได้สูดายกินจังก็หลงมั่วเมาทำขันิงแต่นมนองอยากสิจับตาจ้องยานข้างนองสิเปิดนายเจ้าผู้แก่เวลาเจ้าผู้น่าไม่ปันแต่มายขอนําในจ่าว่าสซอยชุดใจที่เพ่พังลาบันั่งฟุงไคร สิขอไปเคียงกายคันเจ้าบ่มีภัยขั้นได น, นางมาเคียงขางสิขคอหักนั่งไปจนแก่โกด ร, รับใจเอาไว้แนสิดูแลบบ่ละเลยายสิอ่อยแต่นม้มซ้อมเจ้าจนมือตายแมนขี้ดินกบไว้แม่นทางใจกันยังบ่ซ่า คนที่โศรฮักกันอาจบ่กมีมือนั้นอีกแม่นบอกถึงไอ้สิฮักแต่เธอเจ้ายังฮักกันต่อบอมีเหตุผลที่ไอ้สิดึงเธอไว้ไปฮักกับเขาให้มันแล้วมันทั่ว บ่กต้องมาฝืนทำเป็นยังฮักกับไอ่ถึงออ่ที่เจ็บเจ็บเบิดหัวใจแต่ไอ่ ย, ยังไหวพล า, ายทั้งใจมื่อทนไอยสิบอกฝืนสิบอคขว่างสิเปิดทางให้เจ้าหักเขาไายสิบอก ร, รังสิอดเอาแต่เธอเนและเขาก็ขอแค่บอกกันมา ใจไปแล้วละตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไปเอ๋อไอให้ใจไปแล้วละแต่ที่ไอยังบอกเจ้าว่ายังยอนว่าไออยากเจ้าเบื่อใจไอมึงใจแล้วละตั้งแต่เจ้าวอําเข้าไอทงใจไปแล้วละ พอจำเป็นต้องทนเมาคำคักถ้าก ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว่าเธอต้องการที่พคบคนใหม่ไอซีวอฟฟี่นะเธอต้องการนสิไปจบทริปก็ได้พายทำใจมานด น, น ไม่บอกรักสิโอดเอาแต่เธอเลือกเขาก็ขอแค่อบอกกันมาให้ทิใจได้แล้วละ่ะตั้งแต่เห็นจูเ่เปลี่ยนไปล่าอยให้ใจไปแล้วละ่ะ แต่ที่ไอยังบอกแล้าวายัางหย่อนว่ายไอเจ้าเบื่อใจไอใจไปแล้วล่ะตั้งแต่เจ้าวอน้ำเขาไอทำใจได้แล้ว คำฮั้ากเธองกันที่คบคนใหม่อ้บเนว่าต้องกันสิไปจบเลกดายทั้งใจมาโดอ้ายบเน่าธต้องกสิไปจบเลยกระด ใจตานานมากันที่พยากรณ์อากาศครับคุณผู้ฟังภาคเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ เจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยา น, าน่านสุขโขทยัยพิษนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องถึงองศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องถึงองศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศถึง17บนิกาวันพรุ่งนี้นะครับแม้จะเว้นอุตรดิตไปแต่อุตรดิตก็ กำลังตกอยู like ่นี่คุณรู้ฟังรับแรงก็กำลังตกอยู่นะครับก็เป็นพยากรณ์อากาศภาคเหนือถึง17บเนากาวันพรุ่งนี้ครับ 70% รระมัดระวังด้วยครับ สถานการ์ยังกีดยังกันเนื่อนวันสัญญาพอแห้งแลงและเดนองลาใจคนท่ามันจอยมันพ้อสองแต่แกแนน่แต่น้ำเป็นตาหักลาลอาบน้ำแล้วไม่ไมกรุ่นผมเรือนกายจำของสิหเบิงวิดีโอคอ ได้เห็นได้ยินแต่ไร้คลิ่นโดมดองจูบจอ้อมือถธอมองมองอม เ, มอเพราะถาเมื่อพร้อมจักซีเมน์มือใดได้แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์ได้แต่กอดทิพย์เขี่ยเบื้องรูปสมัยแรกจรงก็ส ม, มุดเอาไวา้กอดแบบใดในโลกความจริง ยังกอดนีสินกอดความเดียวดายผู้ขังในคางเมืองใหญ่ยังเมื่อบอดไดเจ้านายพัสวาใจคือทอเบืนให้รอดไปฮอดควันนั้นอยากเมื่อเอารางวัลเมื่อเฮาพบกันจงไว้ให้แน่นอนย่านคนล้นยามใส ย่านแท้ไดียงอยู่ห่างตากอดทิพย์ไปก่อนเดิอนลาแล้วอายสิบมากอดนางจริง เมื่บังรูปสมัยแรกกี่ก็สมมติเอาวา่ากอดแบบใดในโลกความจริงยัง ก, กอดนิสินกอดว่าเดียวได้ผู้ขังในกลางมืองใหญ่ยังเมื่อบ่อใดเจ้านายผันวา่าบอกใจคิดโทษบืนให้รอดไปฮอดวันนั้น อยากเมื่อเอารางวันเมื่อเหาพบกันจงไว้ให้แน่น้นย่านคนรอยยามใสย่านแทพเดอยามอยู่ห่างตากอดทิพไปก่อนเด้อลาแล้วอายสิพาความคืดหอดมาก่อน นานและนอกทีจากอีสานบ้านนาก็มาลำบากอยู่ในเมือง ตัวของเจ้ามาอยู่กุ่งเทพแต่ใจของเจ้าคงอยู่กันคนอีสาน อมาเบสวนแลนวแล้วปแม่บอกทั้งเจ้าชูทั้งลายใจเห็ดมึงให้เสียใจนั่นตาคอมึงสิทนต่อไปสันบอกคำว่าาก็เลยว่าคำว่าหักมันยอมทุกอย่างอีล่ละสู สูบ่ได้เป็นกูสู้บ่ได้เอาจจงสีกูสิเว้าสู้ฟังว่าเป็นยังกูคือฮักทั้งทั้งที่เขาลายใจเป็นงกูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ก็กูเป็นมาเปิด คนถือถิ่นือป่าถือไฟมีน้ำตาโง่เพื่อใเพื่อเธอมาผู้เป็นมาเิดแล้วสิเอสิอีสิเป็นยงกักเขาลายปานนั้นสิให้เจังไดกน่ักเาลายสง เลยว่าคำว่า <t> ห <Parce> <judge> ักมันยอมทุกอย่างอิลีละสูสูบอยได้เป็นกูสูบโดนเอาังสีกูสิวาสูฟังว่าเป็นยังกูคือหักทังทั้งที่เขาใหลใจเป็นอย่างกูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ กูเป็นมาเปิดแล้วันง่คนสัวคนบอถือข้าคนถูกทิมถือป่าถอไฟีน้ำตางโง่คื อ, คอคื๊ดคือมากูเป็นมาเปิดแล้วสิปื๊ดสิงออสิเป็นยังกะฮักเขาลายป้านนั่นสิให้เพชรจังได้กัย้อนว่าฮักของเรา เธอข้าคนถือทิ่มถือปาถือไปมีน้ำตาโง่คือควายเปิด ค, คือมาคือเป็นมาเบิดแล้วสิเปิดอีสิโง่อีสิเป็นยังกะฮักเขาไล่ป่านนั้นสิให้เหตจังไดไกะยอนว่าฮักเขา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 นาฬิกา คุณนุ่ฟังกลับหมดเวลาของรายการสื่งตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตะบนสีพนม่าเมืองละแลแล้วนะครับพบ ก, กับรายการได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาและภักเย็นตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับสำหรับวันนี้คงต้องนํารายการจากกลาคุณนุ่งฟังไปแล้วพบ ก, กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ